เหนื่อยแค่ไหนใจพวว่อก็สู้อยู่เพื่อลูกทุกลมหายใจร่างกายอ่อนแอแต่ว่าใจยอมแพ้ไม่ได้ชีวิตต้องมีหลักายเป้าหมายเพื่อลูกทุกคน สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมตอนนี้ผมไม่เหนื่อยแล้วเพราะผมมีสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลียปวดข้อปวดเข่าวปวดแขนปวดขาปวดหนา้าปวดหลังปวดกระทั่งตน้นคอทานสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องแฟนๆพี่น้องแฟนคลับทั้งหลายถ้ารักที่จะระมงรักที่จะสุขภาพดีทานเพชรดีกล่องสีเขียวสมุนไพรา ย, ยาสามัญประจำบ้านค r o น์แซดห้าหน3่งแครับผม